ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอุปาติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยมะเรงเม้าบินข้าวกองไฟมีใจความว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะ ว, วัน ก็ประทับในที่แจ้งในความมืดของราตรีเวลาเขาจุดไฟขึ้นเนี่ยมีแมลงตกลงไปเป็นนันมากคือมแมลงที่เล่นไฟเนี่ยตกลงไปเป็นนันมากและที่ไปทีพน้ำมันลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นตัวมแมลงเป็นนันมากเหล่านั้นตกลงรอบๆบ ที่ปิบัติน้ำมันถึงความทุกข์ความาดินนาจความย่อยยับก็ทรงเปล่งเป็นพระพุทธอุทานทีนี้ในข้อความตอนนี้ราตรกถาจารย์ได้เล่าถึงการบิดัตนของอุบาสกเราเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะคะรับเพราะว่าเราเห็นภาพลักษณ์สมัยพระพุทธเจ้า แล้วก็มาเทียบเจียงก็ยุคสมัยปัจจุบันเออตอนตอนนั้นนะ่อุบาสกขเขาทำยังไงเวลาทํกาการความมืดเนี่ยคือตามปกติที่เรารู้ในพุทธกิจนี่ว่าตอน เ, นเนย็นหลวงพ่าจ ะ, จะทรงแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกทั้งหลายตอนบ่ายนะ โดยคนสมัยโบราณคงจะมีงานการอะไรไม่ค่อยยุ่งยากรุงรังอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็สามารถนัดหมายกันไปฟังธรรมะก็เป็นรั้งเป็นคราวหรือบางทีก็ต่อเนื่องดูแล้วถ้าเราดูพุทธกิจเนี่ยเป็นเป็นธรรมเนียมไปเลยหมายความว่า ตอนบ่ายชาวบ้านก็ไปไปวัดไปฟังธรรมซึ่งเราก็มักเน้นตอนตอนเช้านะฮะแต่ว่าตอนเช้าตอนบ่ายที่จริงไม่ได้แปกอะไรก็การศึกษาเรียนรู้ธรรมะมันก็เปลี่ยนไปเยอะปัจจุบันคืออย่านึกแนวที่ คนเอกเสรีพุกมาน่านอุปถมัมภ์การทำซีดีมั่มาก็อย่างนึก็เออเข้าทีนะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ว่ามันสะดวกในการนั่งรถก็ได้ฟังได้อยู่ที่ไหนก็ฟังได้แตพผูดเราอ่านอุตสาหะไม่สูงพอถ้าก็ฟังแล้วก็เขาสะดวกด้วย จนถึงกระทางญาติโดมทางอเมริกาเขาติดต่อมาให้พระรวบรวมเทปส่งไปให้เพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาเอาเขาเคยเอาไปชุดหนึ่งเป็นมาสเตอร์ไปแล้วก็อัดขยายกันเขาบอกอกฟังกันจนซ้ำหมดแล้วอยากจะหาชุดใหม่ก็ยังนึกว่าแต่ถ้าเราส่งไปให้มาสเตอร์อีกชุดหนึ่ง ชุดใหม่ก็ลังมีคนอาสาไปทำให้ที่นครสวรรค์สุดดีถึงห0 0ร้อยม้วนนะหรอยเรื่องไม่ใช่ห้ารอยมวนห้า้อยห้าร้อยชั่วโมงก็เป็นประสูติเยอะมากคือถ้าคนสนใจที่จะฟังู่ศึกษาเนี่ยมันก็ดีได้ประโยชน์สบายสบาย แต่ประการความธรรมสมัยพุทธกาลเนี่ยเอาอยัางนั้นมันก็ไม่ได้ตันของเราที่จริงไม่ค่อยจําเป็นถ้าอะไรอะ่ะเรื่องข่าวัดเนี่ยคือขอให้ตั้งใจรักษาศีลฟังธรรมทางสื่อก็ได้ทางซีดีก็ได้ทางคาสเซ็ตก็ได้ทางโทรทัศน์ได้วิทยุได้หรืออ่านหนังสือก็ได้มันมันสื่อมันเยอะคือเนื้อหาสาระของาศาสนาจริงๆเนี่ย มันเป็นภูชนะอิตายะภูชนะสุขายะโลกานกรัรมปายะอย่เนื้อหาเลยเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแกิชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอาุทธรต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรูปแบบในการสื่อไม่ไม่ไม่จำกัดมันมีรูปแบบมีแต่เป้า ว่าทำยังไงจะเป็นประโยชน์พิสูจน์ได้ยังไงเป็นประโยชน์คือเกื้อกูลต่อชาวบ้านรู้ได้ยังไงว่าเกื้อกูลคือเขามีความสุขขึ้นดูสามดูสามจุดตานั่นเองแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นจุดตัดสินว่าถูกหรือผิดคือถ้าออกมาเป็นความสุขแล้วก็ถือว่าถูกถออกมาเป็นความทุกข์ก็หมายความว่าผิดอ่ะเพราะว่าบุญเนี่ย ส่วนผลก็คือสุขแต่ส่วนเหตุก็คือชาระล้างกิเลสทีนี้กิเลส เ, เป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อกิเลสถูกชาระล้างมันก็เป็นสุขเพราะในปฏิปทาของบรรยากาศบรรยากาศในสมัยนั้นที่ท่านเล่าเนี่ยท่านบอกว่า ความมืดมิดโดยการมืดสนิทแต่งราตรีเนี่ยแม่ราตรีใ น, นคืนวันเพลิสว่างสวยด้วยแสงจันทร์ข้างขึ้นเป็นนั้นชื่อว่าเว้นจากความมืดมิดในความมืดก็ไม่ควรจะกล่าวว่ามืดมิดในเมื่อกลางวันปราศจากความหมองด้วยหมอกเป็นต้นคำว่มามืดมิดเนี่ยทั้งก็หมายถึงเป็นวันดับนะวันอะไรแรม สห้าคแล้วพอดีฝนตกทำให้บรรยากาศมันครึ้มก็ทำให้พระบาลีตรงนี้ท่านใช้คำคาว่ามืดมิดด้วยความมืดมิดแห่งราตรีเป็นสภาพเป็นล้อมบรรยากาศสภาพเป็ล้อมทีนี้มันก็มีมีอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้พระอาจาราจารย์ท่านเล่านะฮะก็ไม่ค่อยพบในที่อื่น ดูตามปกติแล้วพระพุทธเจา้านั้นมีฉัพันนรังสีอย่างที่บรรยายในเรื่องมงคลเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงสว่างในประเชศตะวันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยฉัพันนรังสีของพระพุทธเจา้าโดยเกิดขึ้นด้วยฉพันด้วยด้วยรัศมีจากกายของเทวดาทั้งหลายที่มาเฝ้าพระพุทธเจา้าเพื่อราบทูลถามเรื่องของมงคลและในที่นี้ท่านท่านอธิบายว่า ก็รัศมีด้านละวาของพระพุทธมิระภาคเจ้าตามปกติก็แผ่สั้นไปตลอดที่ประมาณวาหนึ่งคมแสงจันร์และก็แสงอาทิตย์ฉายแสงสว่างของพระพุทธเจ้าที่หนาทึบทั้งกำจัดความมืดมิดแม้รัศมีแห่งพระวรากายก็ฉายพุทธรังสีที่หนาทึบมีพันหนหกมีสีเขียวสีเดืองเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ประ อ, อาจารย์ท่านว่านะ แล้เราก็อย่าต้องไม่ลืมอกันว่าพระอ า, าจารย์ท่านก็เกิดคนยุคหลังก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านเขียนนี่พระพุทธคุณสัจาเรยียงตระถาเนี่ยก็สองเก้าร้อยกว่าป่าเรียบเรี ย, ร ย, รยราางพลังกาแสดงว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังมาตลอดการยาวนานแล้วก็อาจจะปรากฏอยู่ในพระตรปิดก ก็ยังไม่พบนะะอยังไม่พบที่อธิบายให้รายละเอียดในลนนักษณะนี้แล้วก็ท่านพูดถึงวัตถุพันรังสีที่ตามปกติก็มีประมาณรัศมีที่แผ่ไปท่านบอกต้องแปดสิบสองรอบสว่างสวยัยในโอกาสที่เราพุทธเจ้าประทับนั่งเนี่ยก็มีแสงสว่างอันเดียวกัน กับแสงสว่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมีกิจการที่ที่จะต้องจุดประชีพไม่ใช่หรือมันก็ตั้งประเด็นขึ้นมานะประเด็นขึ้นมาเอ๊ะทำไมต้องจุดประชีพล่ะก็พอรู้ว่าสัตว์จะตายจุดทาไมปรากฏว่าอุบาสกนี่เขาจุดจุดเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้า เพราะในการบูชาด้วยดอกไม้กับประชีพเนี่ยประทีพประคองไม่ใช่เทียนนะฮะคือหมายความว่าประชีพที่ว่ามีน้ํามันน่พอคล้ายๆกระทเกียงมีไส้แล้วก็มีน้ํามันสมัยโบราณก็ไม่ค่อยโบราณเท่าไหร่อะก็อสังคมชนบทก็เพิ่งก็มีอยู่แล้วก็บางแห่งข้าวเจ้ายังมีนะเป็นประทีพที่มีไส้เป็นได้แล้วก็จุด แต่ก่อนทำไมสงครามโลกเนี่ยก็มีน้ำมันมะพร้าวมากมีน้ำมันก๊าดอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องระมัด ร, ระวังหน่อยน้ำมันมะพร้าวไม่ค่อยมีปัญหาอะไ ร, ะไรท่างท่านก็บอกว่าอุบาสกเนี่เยเขาจุดขึ้นมาเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งเป็นภาวะที่มืดมิด ยิงดูเมื่อจะ ก, ก, กระทำแตกราบบูชาแม้การนั้นอุบาสกก็ตามอาชีพจะแสดงเห็นธรรมเนียนอย่างหนึ่งนะก็คล้ายๆกับเนี้ยคล้ายๆกับเรามีพิธีกรรมทั้งหลายเนี้ยกลางวันเราก็จุดประชีพมันเป็นเครื่องมือในการบูชาจะยังมองอยู่นะว่ามันน่าจะมีลึกๆอยู่เนี่ยคือบูชาไฟสมัยโบ ร, ราณ การรับถือธรรมชาติดินน้ำลมไฟเนี่ยก็ยังมาอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะไฟกับน้ําดยกับน้ํานี่เราก็ยังใช้ยอยู่เยอะนะลมก็มีอยู่โดยธรรมชาติก็ไฟกับน้ํานี่เราก็ใช้ดินมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติแต่เราก็ก็ใช้ในในบางกรณีทีนี้ท่านก็เล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนั้น เรียนหรือบันเป็นกลางคืนแล้วก็เล่าว่าอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยมาร่างกายแต่เช้าตรู่แล้วไปยังวิหารสมาทาน อ, อุโบสถแล้วก็ในมูลพระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยเข้าไปสู่ปนคนครก็ให้หมาทานแล้วก็ส่งเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็ประสงค์กลับแล้วก็ไปยังเรือ น, นตัวเองบริโภคด้วยตนเองในช่วงเช้านะครับ หนุ่งห่มเรียบร้อยมีอุตราสง์เฉวียงบ่าก็ตางถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นก็ไปยังวิหารบางพวกก็ไปหาภิกษุที่ชอบใจบางพวกก็ไปพิจารณาธรรมะคือท่านเหล่านี้ไม่กินอาหารเย็นนะนันก็เราเห็นเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่าคนที่รักษาโโบสตุตสีนี่จะนอนวัดหรือจะไปอยู่ที่วัด ในเรืนี้ในชนบทยังมีเยอะอยู่เป็นนอนวัดแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศจเจริญกรรมาฐานใช้เวลาอยู่ตลอดจนราตรีสว่างนในการนรักษาศีลแปดบางทีท้านรักษาศีลแปดนิสัยก็อยู่กันมา อยู่กันมาจนถึงก็มีปัญหาเรื่องผมก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นชีประขาวก็กลายเป็นแม่ชีเนี่ยพัฒนาการความคิดตรงนี้มันก็มาจากโครงสร้างอย่างนี้วันแม่ชีก็เป็นอุบาสกชีประขาวก็เป็นอุปสกไม่ใช่แม่ชีก็เป็นอุบาสิกาอุบสกอ่าชีประขาวก็เป็นอุบาสกพอเวลาเย็นเนี่ยอุบาสกเหล่านั้นก็ฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้า พระุเจ้าก็ประทับนั่งบนอาบที่บรรจงจัดไว้กลางแจ้งนะฮะใกล้ประคันนะคนดีบรรยากาศอย่างนี้ที่จริงที่จริงดีนะฮะเคยไปบรรยายที่ต่างจังหวัดเนี่ย น, นั่งบนพื้นดินกันมันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราย้อนนึกถึงพระพุทธเจ้าในที่บางแห่งในเ่บเทศ เทศตอนสี่ห้าโมงแล้วก็ว่าไปเรื่อยบรรยายไปเรื่อยจนทุ่มพอเริ่มโพเพรเนบรรยากาศมันสวยงามมากแลเสียงศาสเสียงจักรจันเรไรอะไรต่างๆพอทำให้นึกถึงบรรยากาศสมัยพุทธกาลมีพระเป็นร้อยๆบางทีเป็นพันๆนะฮะที่นั่งนั่งพูดเนี่ยแต่ทั้งก็ฟังเก่งๆแ้นกัน ทีก็สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกับบ <c oughs> รรยากาศเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีการสืบต่อกันมาได้แล้วก็มีคนก็ตั้งมนดบแ์แผงธรรมสภาคือแนวมนดบเนี่ยก็แสดงว่าเกิดหลังพุทธกา แต่ว่าตรงนี้แสดงว่าเกิดในสมัยพกกุทธกาลผู้นี้ในการต่อมาก็พัฒนาเป็นธรรมมาตรเห็นว่าธรรมมาตรอย่างภาคกลางนมีลักษณะเป็นบนตบแล้วก็สูงเพื่อระเทศต่างจังหวัดหลายหลายแห่งใกล้ใกล้ของนี้ใกล้ๆกล้ของประเทศในรอบๆของเท ศ, เทศว่าธรรมมาตรเปนสูงจังขึ้นไปอยู่ในโยมงานคอตั้งบ่าล เสียบรรยากาศในการเทศโยงแงนคอไม่ไหวไปเดี๋ยวก็นั่งฟุบหลับเลยเวลานี้ก็ยังมีอยู่หลายหลายจังหวัดเช่นแถววัดบางขวางวัดบางนา น, นอกบางนาในาะอะไรต้อะไรนี่ไ ย, ยเจอธรรมะที่สูงสูงวัดอะไรอะวัดบางชันก็ เ, เจอแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะไม่ใช้แล้วก็ ภิกษุสงใ์นเข้าเฝ้าพระผู้มีภาคเพื่อชำระอุโบสถให้สะอาดและเพื่อจะพอกูณโยนิโสมนสิการนั่นก็หมายความว่าเป็นเป็นชาวบ้านเนี่ยคือเ็าต้องการจะให้การรักษาอุโบสถสีของเขาในสะอาดคือการไปไปกลับไปบ้านเนี่ยบางทีมันพูกครีมันเรื่องมันจยะ แต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าอุโบสถศีลเป็นอาคาริยวินยัยหรือวินัยของชาวบ้านมันไม่ถึงระเคร่งครัดจนว่าไม่จะต้องลูกหลานผู้หญิงผู้ชายไม่ได้หรอกมันไม่ถึงขนาดนั้นเป็นวินัยแบบผู้ครองเรือนในควา ม, มาโดยปกติเขาก็อยู่ที่บ้านแต่ว่าใครต้องการจะชาระอุโบสถของตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วก็จะใช้ความคิดถึงธรรมะ ยกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาคิดหรือว่านั่งสมาธิหรือว่าพิจารณาแบบปริปัสนาก็แล้วแต่ก็มีลักษณะเอาจริงเอาจังเป็นการทำที่เอาจริงเอาจังแล่ ว, ว่าจากการสังเกตเนี่ยคือค่อนข้างแปลกว่ากิเลสมันไม่เคยลดอ่ะหรือทางทั้งที่เราเอาจริงเอาจังเยอะแต่ว่ากิเลสไม่เคยลด มีมา n ะมีทิฐิมีอะไรค่อนข้างแรงแรงบางครั้งอย่างไปจะแย่งที่นั่งกันอยู่เลยก็ไม่ค่อยได้ชำระกันเราะฉะั้นท่านเหล่านี้ก็ไม่กลับเข้าไปในเมืองก็ประสงค์จะอยู่ในวิหารจึงเหลืออยู่เฉพาะพวกหนึ่งนะเฉพาะพวกหนึ่งเนี่ยทีนี้อุบาสกเหล่านั้นก็ตามประชีพน้ํามันเป็นมากเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ พระสงฆ์อันนี้ถือว่าแปลกนะฮะเอาบูชาพระสงฆ์ด้วยที่จริงตามปกติแล้วเราก็บูชาพระพุทธถ้อย้อนนึกถึงดอกไม้เนะีะฮะดอกไม้มันน่าจะเอาบูชาพระพุทธเจ้าคือไม่น่ามันน่าจะบูชาพระสงฆ์หรือจะมอบให้พระสงฆ์เอามาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกฟังได้เรฟังได้แล้วก็ ถวายบังคมประคองอัญชลีแด่พระสงฆ์แล้วก็นั่งส่วนสุดภิกษุสงฆ์คือหมายความว่าอันเนี่ยที่ทาให้รู้เจ้าเวลาแสดงเนี่ยขึ้นภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ใชมีเฉพาะพระพระสงฆ์แล้วเวลานั่งเนี่ยพระนั่งอยู่ข้างหน้าโยมจะนั่งอยู่ข้างหลังนั่นคือรูปแบบในโบสถ์วิหารทุกวันก็ยังเป็นลักษณะอย่างนั้นโยมจะนั่งอยู่ข้างหลังพระ พระก็นั่งอยู่ข้างหน้าทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็หันเพระพักกลับมาที่พระสงฆ์กับชาวบ้านเวลรับสั่งก็รับสั่งว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายคําแปลจริงๆก็แปลว่าผู้เห็นภายในสังสารวัตทั้งหลายคําคํานี้จึงหมายรวมหมายรวมโยมด้วยนะฮะไม่ได้หมายเฉพาะพิกษุบางทีเราก็ไปคิดใล้ๆเออนี่ก็สอนพระไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้เกียร์กัเราเด็กไปอ่านคำว่าดูก่อนในะที่จริงเราใส่เข้าใจเสยบาลีมันไม่มีหรอกมันมีแต่พิเกเวเดว่าพิกษูตั้งหลายแต่ว่ารุ่นครูบาอาจารย์นัานใส่คำว่าดูก่อน้เด็กรุ่นใหม่วันก่อนี้เป็นลูกของพวกพวกกันก็เป็นมหาปริเรียนนะมีประตไตรปิฎกอยู่ที่ที่บ้าน ลูกก็สนใจก็เามาอ่านอ่านเจอกับว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายแกก็ถามว่าพ่อพ่ อ, พอทำไมต้องให้พระดูก่อนอ่ะเด็กดูก่อนไม่ได้แหละอันนี้คือกลายเป็นปนัญหาเร็นปนัญาในการสื่อสารคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปใส่เข้าแล้วก็อ่านไม่ตรงกันดูก่อนบ้างดูกระระบ้างเป็นคําเรียกซึ่งไม่จําเป็นจะต้องใส่ น่ะพิกษุทั้งหลายการเรียกธรรมดาเนี่ยคือไม่ต้องใส่กับว่าดูก่อนทีนี้เวลาท่านเหล่านี้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งก็สนทนากันสนทนากันก็ปรารบปรารบเรื่องความคิดเห็นของพวกอัญญาเดรจีทั้งหลายก็อบอกว่า อัญญาเดรจีเหล่าเนี้ยกล่าวยึดถือทิฏฐิต่างๆแล้วเมื่อกล่าวอย่างเนี้ยอย่างนั้นบางคราวก็กล่าวว่าเชี่ยงบางคราวก็กล่าวว่าไม่เชี่ยงไม่ตั้งอยู่ในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะเป็นลู่เทฏฐิเป็นต้นเนี่ยมันเหมือนกับโขนงป่าจะเล่นเพื่อนแรงเหมือนกันนะั่นนหะหรือพูดถึงเพื่อนแรงไปไหนะแล้วยกย่องทิฏฐิใหม่ๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า นี้คือเป็นลักษณะอย่างนั้นคือมนุษย์มีทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้หมายความว่าความเห็นแบบถือรัน้นมันขาดการประนีประนองขาดมองตัวผลขาดมองตัวผลแล้วก็บีบบังคับ แ, แม้ในประชาธิปไตยเนี่ยคิดทำไงไปมองรูปแบบตั่างนั้น ทำไมไม่มองประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนก็มือเมืองก็นถนนอ่ะไปทางไหนก็ได้แต่ว่าถึงจุดหมายปลายทางเพราะการบริหารแผ่นดินนี่คือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายรูปแบบไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเห็นไหมแนวแนวระบบการปกครองมันก็เป็นทิฐิอย่างหนึ่งแล้วถ้าใครไม่เห็นตรงมาตัวเองก็ แบ่งแยกทะเลาะวิวาทกันแล้วแม้แต่รัฐมนุนเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนอีกก็มไม่เป็นประชาธิปไตยคนหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าเป็นคนหนึ่งบอกไม่เป็นโต้ลงมาไอ้เป็นนี่คืออะไรมันก็ยังหาข้ อ, อยุติไม่ได้แล้วที่จริงก็น่าจะให้ลองว่านักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยขอให้นิยามมาดูที่คาว่าประชาธิปไตยนั่นคืออะไรเอากระดาษ AC, เอซีไปให้คนละแผ่นน่นิยามมาดู จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นร้อยๆนะเราว่าต่างคนต่างก็ยึดถือว่าตัวเองถูกต้องพอามาเถียงกันพอเอามาคุยกันเลยก็เถียงกันเองนี่คลักษณะทิฏฐิในการนับถือพระเจ้าสูงสุดเนี่ยมันจะมาก่อให้เกิดลักษณะทิฏฐิคือต่างคนต่างก็ถือว่าตัวเองถูกต้องแต่ว่าท่านอุปสมภ์ก็คุยคุยใช้คําแรงไปหน่อย นะเป็นเสมือนคนบ้ายกย่องทิฏฐิใหม่ๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริ ง, ส, งสิ่งอื่นเปล่าเทิฏฐีเหล่านั้นยึดถืออย่างนั้นมีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมป ร, ราชพบของเขาเป็นยังไงพูดถึงถึงหลังตายฮะคือถึงว่าคนที่มีความเห็นอย่างเนี้คือคืออย่าลืมเนื่องความมันจับประเด็นนะะว่าทิฏฐิพวกนี้มันหยุดตัวเอง เอ่อเช่นว่าถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําคือนื้อตาไม่ฉาติทิฏสามนะฮะเนื้อตาไม่ฉาติทิฏสามหรือแม้แต่ทิฏฐิที่เกี่ยวกับสังสารวัตรสองที่ท่านยกตัวอย่างมาในที่นี้ท่านพูดถึงนื้อตาไิ่ฉาติทิฏสามคือถือว่า อ, อ, อการยะทิฏถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําและในที่สุดเนี่ยแกก็ไม่ทําดีเพราะไม่ถือว่าเป็นการกระทํา แกก็ทําอะไรตามชอบใจอาจจะดีบ้างอาจจะชั่วบ้างไม่มีเจตนาอะไรก็ไปเรื่อยๆทีนี้ถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุแกก็ไปเศษเหตุแกก็ไม่สร้างเหตุดีเพื่อต้องการต้องการผลดีทําอะไรไปตามชอบใจนักิกาทิฏฐิไปเศษหมดเกลี้ยงเลยบาปบุญก็ไม่มีการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผล พ่อไม่มีคุณแม่ ม, มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการทําดีทําชั่วไม่มีผลสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้แจ้งตามไม่ไปเศษแม้แต่พระพุทธเจ้าเพราะนเป็นทิฏฐิที่นี้อีกสายหนึ่งเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังสารวัฏมันจะออกมาสองแนวคือศาสนาทิฏฐิศาสนาทิฏฐิที่ยิงก็แบ่งเป็นสองอีกนะ หมายความว่าคนเราตายจากอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีการยุติแปรี่นผันนั้นแนวหนึ่งแนวดิงเลยสัจธรรทิฏฐิแนวดิงแนวหนึ่งถือว่ามีการยุติแปรยผันแปรยผันได้แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ตายจากมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็เป็นเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าบางทีก็ตายไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้อีกแนวหนึ่งถือว่าขาดสูนหมดเลย ตายก็จบชีวิตก็จบของที่เสือกตะกรอนเขาเรียกว่ามีกองขี้เท่าเป็นที่สุดตรงนี้คนชอบเยอะนะฮะคนชอบเยอะที่ว่าตายแล้วสูนเนี่ยเพราะอะไรลึกๆเนี่ยกิกลัวบาปในขณะที่มีชีวิต เ, เกิกลัวบาปอยู่เยอะลองสังเกตนะว่าแนวอะไรของใครก็ตามที่ออกมาในลักษณะคล้ายๆกับตัดกรรมได้ ลบล้างบาปได้เนี่ยคนจะชอบตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยคือพวกอพระที่ฆ่าอาดีตนายกรัฐมนตรีบรรดาลานายเกเอาสามีของสิริมาโวบรรดาลานายเกของของหลังกานะฮะวันหลังเขาเข้ารีดเป็นคิดนะฮะแล้วเขาถือว่าคิตเนี่ล้างบาปได้ พุทธล้างบาปไม่ได้เขากลัวบาปตอนไปแทงเนี่ยยังห่มจีบออยเลยเป็นพระอยู่เลยลราก็เขมนแดงเขมนแดงนิพายริมเนี่ยเดีนี้เ้ารีบเป็นคิดหมดละไม่ยอมเป็นพุทธฮะกลัวบาปฆ้าคนมาเยอะล้างบาปก็ไม่ได้แม่เพราะเราลองดูสังคมไทยเนี่ยวัดใดก็ตามพระองค์ใดก็ตามที่ทําท่าทางล้างบาปได้ อะไรตัดกระแสะกรรมได้สะดอกสะดอกเคราะหได้อะไรต่วอะไรนี่นะคนจะชอบนั่นคืออะไรฮะคือไม่มั่นใจไม่ได้ออกไปในแนวของอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่มั่นใจบางทางที่คิดว่าตายแล้วสูนยแต่ไม่เคยมั่นใจแต่แหละเลยก็กลัวบาปอยู่พรนี้จะหาวิธีเพราะงั้นใคร หากินโดยวิธีนี้หากินได้ตลอดในสังคมไทยหากินด้วยสะดอกเคราะห์หากินด้วยตัดกระแสะกรรมหากินด้วยล้างบาปอะไรต่ออะไรเนี่ยจะหากินได้ตลอดไม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนได้ไงก็ตามนะฮะวิธีพวกนี้จะหากินได้ตลอดเพราะคนเราเนี่ยทําชั่วไว้แล้วก็กลัวลึกๆนี่ก็กลัวแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะเสียงดังในขาสัน่นมันพูดเสียงดังอ่ะคัดค้านทางสารวัตรแต่ในขณะใ ด, ดการข่าสัน่นเลนั่นคือธรรมชาติเพราะแนวของที่พวกอัญญะเดชีเหล่านี้แต่ที่แนวดิ่งท่านก็ดิ่งนะท่านก็ดิ่งหนะ้าเอ็นโดะ โดยเฉพาะแนวอคิรญาติทิฏฐิอิ ท, อกทุกาตทิฏฐินติกาติฏฐิพวกนี้พวกนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นวัตฏะขานุคือเป็นหลักตัของวัฏตะเลยไม่รู้จะพูดจะเกิดอ่ะไปไปไ ป, ไปคิดอย่างเงี้ยเพราะแกหยุดตัวเองนะฮะแล้วในสัจสตทิฏฐิก็เหมือนกันเมื่อแกถือว่าคนเราตายจากคนเกิดเป็นคนก็ไม่ต้องทำอะไรมันเหมือนกับคนเชื่อว่าคนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนะี่ยแล้วก็หยุดใช้ความพยายาม จนก็จนอย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถคือเปรลักษณะยอมจำนนเนี่ยแล้วถ้ายอมยอมจำนนไม่เชื่อมั่นในกฎของกรรมไม่เชื่อบาคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทีนี้ถ้าถืออุเฉติทดีทก็จบคือไม่ต้องทําบุญอะไรเพราะว่าไม่มีการเสบยผลบุญอะไรว่าตายแล้วก็จบแล้มันความคิดเนี่ยเป็นอันตรายความคิดแนวแรกเป็นเรื่องกรรมนะให้สังเกตว่าความคิดแนวที่สองสองข้อเนี่ยเป็นเรื่องทางสารวัตร ความที่พบบ่อยๆว่าเรื่องกรรมสังสารวัตเป็นเรื่องใหญ่ความคิดที่เราคิดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่คิดแนวอวดรู้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเป็นความคิดที่เสี่ยงแล้วก็ขัดกับพระยานของพระพุทธเจ้าว่าที่น่าสังเกตว่า เรื่องรายสาระเยอะไม่เขียนว่าผู้ฟังเป็นความเชื่อส่วนตัวผู้ฟังควรใค ร, คร่ครวญพิจารณาแต่ว่าพอเรื่องที่เขาพูดเรื่องกรรมเรื่องทางสารวัตรการเชื่อไม่ได้เสียหายอะไรเลยการเชื่อนรกมีสวรรค์มีบุญบาปมีเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่ดีก็ดีเท่านั้นเองแม้แต่เราเชื่อว่า เราอยู่ที่ไหนก็ตามมีเทวดามีทิเนตที่ประกันรู้เห็นการกระทําการพูดของเราทั้งหมดนี่ดีอย่างเดียวไม่มีเสียอะไรเพราะคนจะอายผีสางเทวดาคนจะไม่กล้าทําบาปแต่เราไม่ได้คิดต่อแล้วทําเสียหายไปมีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเรานั้นคือประเด็นว่าเราจะกลัวบาป พราะเราอายผีสางเทวดาเขาเราจะทำบุญเพะเราเชื่อว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็นได้ขนาดนี้ก็ไปได้รีบแล้วนะทีนี้พวกเหล่านี้ก็มาก็ในที่สุดก็กราบทูลพระพุทธเจ้านะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้คนเราเนี่อยอย่าลืมมาท่านถามสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือ คติคติคือการดําเนินชีวิตในโอกาสต่อไปจะเป็นยังไงแล้วอภิสัมปรารยาภพคือชาติหน้าเนี่ยชาติหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงพวกความเห็นอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเป็นมิจฉาทิฐินะเป็นความความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็มิจฉาทิฐิที่ค่อนข้างแรงนะอย่าพอที่ท่านยกตัวอย่างคือมิจฉาทิฐิมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าห้ามสวรรค์แล้วกว็ห้ามนิ่ผ่าน หมายความปาะดับใดที่เธอยังมีความเห็นอย่างนี้ไม่มีโอกาสเกิดสวรรค์ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานตรงนี้ก็คือทิฏฐิอย่างนี้ไปแล้วแต่ทีนี้ทิฏฐิบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงกับไปห้ามสวรรค์คือเกิดในสวรรค์ได้แต่ว่าไม่มีโอกาสเข้าสู่นิพพานได้ทำไมอะ่ะเพราะว่าประตูนิพพานเนี่ย มันถูกกาหนดด้วยการละศักยญาติทิฏฐิมือความเป็นตัวเป็นตนชี้ถาวรก็กลับไปรวมกับประมาตบันลังกาเนี่ยประตูนิ้ผ่นานจะเปิดโดยตรงนี้ก่อนล็อกมันมันอยู่ตรงนี้เพื่อนพระสบดั บ, บันจึงละสังโยคข้อแรกคือศักยญาติทิฏฐินี้ได้ท่านก็ไม่ ย, ยึดมั่นหรือมั่นในขันห้า อย่างน้อยก็ไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นขนัขนห้าขันห้ามีในตนตนมีในขนันห้าหรือขนันห้ามีในตนไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เข้าประตูนี้ผ่านได้ทีนี้เมื่อถ้าเรานี้ถามนะฮะถามถึงถึงถึงทิตจิคือความคิดเห็นของคนเหล่านั้น พระเจ้าก็ส่งชี้ไปที่ไอ้แมลงแมลงม้าวอ้นะาคิดว่าแมาลงเม้าไงจะไม่รูปแมงอะไรบ้างคือพวกนี้เป็นสัตว์ที่แปลกมันมันบินลงไปในไฟแม้แต่ว่าตัวอื่นตายดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เนี่ยมันก็ยังบินลงไปเป็นตัวอย่างให้เห็นมันเหมือนกับใาบยามุกเนี่ยมันมือนก็ไฟยาเสจติดเดือมือก็ไฟแล้วคนก็บินลงไป ยังไปไม่ยอมเลิกกันสักทีหนึ่งก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอะ่ะมาแลงเมาก็กลายเป็นครูสอนตรงนี้ว่ามันพวกเนี้ยมันถูกเครื่องผูกคือตัณหาแล้วก็ทิฏฐิผูกพันไว้จึงไปยึดถือในอารมณ์คือรูปบางเสียงบางกลิ่นบางรสบางสัมผัสบ้างเนี่ยที่ตนเห็นเป็นต้นเนี่ยแล้วก็มีทิฏฐิ คือความเห็นตรงนั้นระยึดบ้านในทั้งหมด อ, อารมณ์รูปเสียงรีตตอพุตภาธรรมรง์แล้วในที่สุดก็จะถูกอะไรอ่ะมันจะตายแบบแมลงเน่ามันจะถูกไฟไฟเนี่ยท่านผู้ฟังคงนึกออกนะไฟสิบเอ็ดกองพระจิตรกองอยู่ที่ไหนทรงแสดงแก่ปูราณาจิดินในอาทิตตะปยายยสุตร อิออิตังรากักคินาดสักคินาโมหกินาอนดิตังยัติยาเจลามรณีนัโกฮิ เ, เวฮิดูเกิมนเิปยายเิอิตันติวดามินะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหไฟไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะเป็นหกนะฮะแล้วนอกั้นก็เป็นทุกขจ่จรคือความสู่ความร่ำรร่รำพันความทุกขความเสียใจความคับแค้นใจ รวมแล้วก็เป็นฝ่สิบเอ็ดกองนะฮะเป็นทุกยนห้ากองทุกยนห้ากองเอ่อทุกประจําทุกโดยสภาพเนี่ยสภาวะทุกเนี่ยสามกิเลสเนี่ยก็สามรวมแล้วก็เป็นหกนะหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดหมายความว่าคนเราเนี่ยยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรแล้วเป็นสังสารวัตรที่มากด้วยความทุกมากด้วยกิเลส เนถูกเผาเพราะว่าชาติความเกิดเนี่ยถ้าเราเกิดในกำเนิดตำ่ำในเรายิ่งทุกข์มากเกิดเป็นสัตว์นรกอาการหนักเกิดเป็นเปรตอาการหนักเกิดเป็นสัตว์ดิฉานสิทธิ์ดรชา น, ชานสัตว์ิแรชานก็อาการหนักเกิดเป็นอสุรกายก็อาการหนักนะพวกนี้ถ้าพูดถึงว่าใครเบาที่สุดอะเวมานิกาเปรตนะกษัตรว์ดิแรชานบางชนิด สัตว์บางสัตว์ติดสารบางชนิดที่ก็รู้นะฮะอย่างเนี้ยอย่างแฟชั่นเลี้ยงสุนัขเนี่ยวันนี้ลามป่ามาถึงที่วัดที่วัดเ น, นี่ยพระนุ่งนุ่งเลี้ยงสุนัข ก, กันเยอะแต่ยังนึกไปออกว่าทําอะไรเสียเวลาในการศึกษาเราเรียนแเราทำวินัยนะฮะมาเลี้ยงหมาอยู่ยก็ไฟเหล่านี้ยมันจะเผาหลน มันก็รับรังว่าลุกโซนนะฮะลุกโซนแล้ววันนี้จะเหมือนมแมลงเม้าเหล่านั้นแ่ะที่บินเข้าไปในกระแสไฟไม่มีโอกาสที่จะเงยศีรษะขึ้นมาได้คือหมายความว่าถ้าเธอยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเธอไม่ละทิฐีอย่างเงี้ยเธอไม่มีโอกาสที่จะเงยศีรษะขึ้นมาได้เธอจะจมอยู่ในกระแสของสังสารวั เขาเรียกว่าอะไรจมแล้วก็จมไปเลยนะเหมือนคนที่ว่ายในกระแสกระแสน้านะ่ะเราสังเกตว่าตกไปแล้วก็จมไปเลยมีคนผู้หนึ่งก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วจมไอีกโผล่จมอีกโผล่จมอี ก, ก, อกบางคนเนี่ยพอประคองตัวไปได้อย่าให้โดนคลื่นกระแทกแรงๆนะฮะแกก็พออยู่ได้บางคนก็บ่ายหน้าก็าหาฝั่งแต่ยังไม่ถึงฝั่งบางคนก็ขึ้นฝั่ง บางคนก็ยืนอยู่บนบกก็แล้วแต่พัฒนา ก, การทางจิตของมนุษย์เราคงจะมีลักษณะอย่างนี้เราะนั้นเราจะเห็นถึงว่าพระพุทธมัดที่รับสั่งในเรื่องเหล่านี้เป็นการเราพูดถึงการสอนยังมีอุปกรณ์การสอนนะตัวนี้เราเห็นว่าอุปกรณ์การสอนพูะุทธเจ้ารับสั่งว่าสัมณพราหมพวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไป หมายความพวกเนี้ยพวกอุเชทิธีพวกสันสติธีที่มันวิ่งเลยไปเลยไปก็มีเทวดาเคยถามพระพุทธเจ้าว่าลงปฏิบัติอย่างไรจึงข้ามโอคะโอคะได้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราไม่หยุดอยู่แล้วก็ไม่พยายามาข้ามโอคะได้เทวดาเลยงงเลยเลยก็ส่งอธิบายนะฮะสรงอธิบายว่าถ้าหยุดอยู่มันก็ไปไม่ถึงนะฮะถ้าถึงแล้วเราเลยไปก็ เราเราเกิดพยายามเดินต่อเราก็เลยไปวันมันก็เข้าสายกลางคือพอดีผูนี้จะไม่ถึงธรรมที่เป็นสาระทีนี้สาระเนี่ยสาระโดยเนื้อหาสาระที่อะไรดกเตอร์เจิมศักอะไรปิ่นทองอะไรเนี่ยที่เขาเคยตามหาแกนทำ น, นะคือคือก็เคยเตือนกันะเม่คุณมายุ่งทำไม ผูเจ้าส่งแสดงไปแล้วแก่นธรรมเนี่ยมันมีอยู่ห้าแกนตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยคือศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระแก่นคือศีลแก่นคือสมาธิแก่นคือปัญญานั่นคือมั ษ, ษ, ษัตริย์ครแล้วก็แก่นคือวิมุตติแก่นคือวิมุตติปญาณทัศนะขึ้นคือนิโรธสัตว์ไมนมีแก่นอื่นนอกจากนี้คุณไม่ต้องไปหา แล้วก็ไม่ต้องแสดงความเห็นแล้วแสดงความเห็นมันก็ไปค้านพระพุทธเจ้าเล้ ว, าวกาเรื่องด่าพระพรามันมันพวกเนี้ยจะไม่เข้าถึงสาระจะได้เข้าถึงแก่นเพราะว่าคนที่เข้าแก่นคือสีเนี่เอาเอาขนาดสีเนี่ย ท่สาสชนลอนสังเกตว่าคนที่เข้าถึงกันคือศีลได้เนี่ยมันต้องมีพจิจารณามีปัญญาระดับที่พิจารณาเห็นโทษของศีลเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการมีศีลจึงจะสมาธานศีลหรืออย่างน้อยก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่าศีลนี้ดีรักษาศีลนี้ดี บุคคลจะเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ด้วยพวกทัพย์ใต้กับเพราะศีลมรุมาคุณนิพพานได้ก็เพราะศีลเรเชื่อเราก็สมาทานศีลรักษาศีลเราแสดงเห็นว่าการเข้าถึงสาระนี่ต้องอาศัยปัญญาหรืออาศัยศรัทธาเราไม่มีทั้งศรัท ธ, ธาไม่มีทั้งปัญญาไม่มีโยนิโสปนิธิการไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ไปยากนะฮะหรืตามปกติแล้ว คนสมัยน <Yes. S 2> ี <Yes. S 2> ้ท <gema> ี่น่าราคาญคือชอบอานนักวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่น่ารำคาญที่สุดเลยพู้คนละเรื่องเลยนะนักวิทยาศาสตร์แกไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้แกไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้แกไม่ได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้แกไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตการรู้เรื่องเหล่านี้มันเป็นการรู้ด้วยญาณเป็นพัฒนาการทางจิตเอานักวิทยาศาสตร์มาค้านได้ไงบางทีก็เอา เขาเนี่ยเขาเขาไม่ชอบเอามาค้านะฮะแม้แต่ว่าชาวบ้านเราที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สมคกวนั้ยังอ้างเขาอยู่เล ย, เ ข, ยงงเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้ถึงพลังแห่งพระญาณของพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อมัน่นพอไม่เชื่อมันน่นในพระพุทธเจ้ามันจะแกวง แต่จริงๆตัวนี้ที่จริงเราคิดได้นะคิดได้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพอพอเราไม่เจอแก่มันจะพ่อพูนเครื่องผูกใหม่ๆอุลิเป็นเครื่องผูกนะทิฏฐิเลยเป็นเครื่องผูกทิฏฐิกาหะมันเป็นเครื่องผูกแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ตนเห็นแล้วฟัวงแล้วยึดมั่นในสิ่งนั้นตั้งแต่เห็นบ้างในฟังบ้างในดมบ้างในลิ้มบ้างในจับต้องบ้างก็แบบพวกพวกมงคลสามประเภทอ่ะ สิ่งที่เห็นเป็นมงคลก็ยึดติดอยู่ในตรงนั้นน่ะสิ่งที่ได้ยินเป็นมงคลก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ได้ทราบเป็นมงคลก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นพวกนี้มันก็พวกเดียวกันแล้วก็ในสุดก็เหมือนกับแมลงเม้าที่ตกลงไปในระชีพตกลงไปในไฟอ่ะพอถูกไฟมันก็หล่นลงไปในน้ามันภาพมันก็เห็นได้ชัดนี่ก็เป็น พระสูตรหนึ่งที่อุบาสกเขาประลบขึ้นแล้วก็กราบทูลถามพิจเจ้าก็แสดงนะฮะแสดงความจริงตามที่มันเป็นหมายความว่าไม่ใช่ไปแช่ไงเขาตกนรก เ, เขาตกนรกเขาเองเพราะเขาสร้างเหตุไปเพื่อนรกเป็นการนันหลังให้สาระคือศีลสมาธิปัญญาทุกขังกันหนย เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงแค่นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี